ความรู้สึกผิดของอาชยากรก่อนที่อาตมาจะต้องรับตำแหน่งเจ้าอาวาดที่มีทั้งเกียรติและภาระนั้นอาตมาเคยไปเยี่ยมเรือนจำต่างๆในเมืองเพิร์อาตมาบันทึกชั่วโมงการทำงานของอาตมาในคุกอย่างละเอียดเพื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง ถ้าอาตมาจะโดนคำพิพากษาเข้าสักวันครั้งแรกที่อาตมามีโอกาสไปเยี่ยมเรือนจําใหญ่แห่งหนึ่งอาตมารู้สึกทั้งแปลกใจและประทับใจในจํานวนนักโทษที่เข้ามาฟังอาตมาเทศเรื่องสมาธิภาวนาห้องทั้งห้องแน่นขนาด 95% ของนักโทษทั้งหมดสนใจจะมาเรียนรู้เรื่องการทําสมาธิ ยิ่งอาตมาพูดนานเท่าใดผู้ฟังของอาตมาก็ยิ่งกระสับ ก, กระส่ายมากขึ้นเท่านั้นเวลาผ่านไปเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นนักโทษคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในอาจยากรระดับหัวโจกในคุกนั้นก็ขัดจังหวะการพูดของอาตมาด้วยการยกมือขึ้นถามคำถามอาตมาอนุญาตให้เขาถามคำถามได้เขาถามว่า จริงหรือที่การนั่งสมาธิสามารถทําให้ตัวลอยได้อาตมาจึงเข้าใจในบัดนั้นเองว่าเหตุใดบรรดา น, นักโทษทั้งหลายจึงแห่กันมาฟังอาตมาพูดพวกเขาต้องการเรียนรู้เรื่องสมาธิภาวนาเพื่อจะสามารถทําตัวให้ลอยจนเหาะข้ามพ้นกําแพงกุ๊กไปได้อาตมาบอกเขาว่ามันเป็นไปได้แต่ก็เฉพาะกับนักปฏิบัติบางคน ที่เลิศเป็นพิเศษเท่านั้นแถมยังต้องฝึกฝนเป็นเวลาหลายปีด้วยเมื่ออาตมามีโอกาสกลับไปเทศที่คุกนั้นอีกครั้งจำนวนนักโทษที่เข้ามาฟังก็เหลืออยู่เพียงสี่คนเท่านั้นอาตมาสอนนักโทษในเรือนจำอยู่หลายปีและมีโอกาสคุ้นเคยเป็นอย่างมาก กับนักโทษหลายคนอาจรมาณได้ประจักษ์แก่ใจว่าอาทยากรทุกคนรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปความรู้สึกผิดนั้นยังลึกลงไปในหัวใจของเขาทั้งวันทั้งคืนเขาจะเปิดเผยความรู้สึกนี้เฉพาะกับเพื่อนสนิทที่เขาวางใจได้เท่านั้นหากเมื่ออยู่ต่อนหน้าสาธารณชนก็จะสวมหน้ากากของนักโทษ ที่ดูไม่ยิ่ยระและไม่หวั่นกลัวแต่เมื่อเราสามารถทำให้เขาไว้วางใจเราได้และเมื่อเขายอมรับเราเป็นผู้ช่วยฟื้นฟูจิตใจของเขาสักระยะหนึ่งเขาจะกล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แสนปวดร้าวของเขาอาตมาได้ช่วยเขาหลายๆครั้งโดยใช้เรื่องที่จะเล่าลำดับต่อไปเรื่อง เกี่ยวกับเด็กนักเรียนห้องขอ